หลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่นานหลายปีการสุดท้ายที่มาก็เดือนพฤษภาปีห้าเก้าเทศที่นี่แล้วไม่นานก็ไปเข้าโรงพยาบาลสลายเดิอนออกมาจากโรงพยาบาลกลางเดือนธันวาแล้วปีห้าเก้าอยู่โรงพยาบาล หายเดือนก็มีออกมาจากโรงบันช่วงสั้นๆแล้วเข้าไปอีกเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคทันสมัยนะคนไทยเป็นมะเร็งเยอะมากเลยแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นประเภทอันดับห้า มีเป็นอันดับห้าแล้วตอนนี้ก็รักษาเสร็จแล้วไม่มีเชือ้อก็พักฟื้นอยู่สองปีหมอคุมไม่ให้ออกมาข้างนอกวัดกลัวติดเชือ้อคุม ต, ต้านๆานต่ำโชงที่ไม่สบายมันก็เหมือนหลวงพ่อไปเข้าห้องสอบในสิ่งที่สอนพวกเราไว้ เวลาตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยจะสอบได้หรือสอบตกนะ่ายสิสอบได้หรือสอบตกไปตึงก็บอกหมอนะบอกวหมอมีหน้าที่รักษาก็รักษาไปรักษาได้แค่ไหนก็แค่นั้นสมมติว่าถ้าหลวงพ่อจะต้องวรณภาพก็ไม่ว่าหมอนะ หมอทำหน้าที่ของหมอทนั้นนหะอยู่โรงพยาบาลตั้งนานชีวิตของคนในโรงพยาบาลนะถ้าใครเคยเข้าโรงพยาบาลรู้สึกวุ่น่ายทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยได้พักหรอกเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนเลยเดี๋ยวเจาะ น, น่นเดี๋ยวเจาะนี่นะเดี๋ยวไปตรวจอนโน้นตรวจอ น, อนี้กลางคืนก็ ต้องวัดความดันเป็นระยะระยะเข้าไปโรงพยาบาลวันแรกไม่เจอไปอยู่ห้องเขาเรียกห้องไอซียูพวกผู้ป่วยห น, หนักหนักหน่อยที่ไปอยู่ห้องนั้นเพราะว่าหาห้องไม่ได้เลยถ้ไปอยู่ห้องรวมมีคนแก่เนี่ยอยู่ในห้องนั้นเยอะเลยเป็นโรคหัวใจ แล้วก็เขาไม่ค่อยนอนกันค น, คนที่อยู่ในโรงพยาบาลนอนไม่ค่อยหลับหรอกเพราะว่าพยาบาลทำงานตลอดเลยเดี๋ยวก็เข็นรถไปวัดความดั น, ค น, ค, น, ดนคนนั้นคนนี้เสียงดังตลอดมียายคนหนึ่งแกอยู่ใกล้ๆหลงพอ่อเตียงใกล้ๆกันแกสั่งพยาบาลเลยว่าคืนนี้ขอยานอนหลับเนะี่ย คนป่วยมีแต่กินยานอนหลับนะไม่งั้นไม่หลับหลวงพ่อไม่ได้กินหรอกพอสักสามทุม่มโรงพยาบาลก็ไปเรียกยายยัยตื่นมากินยานอนหลับได้แล้วเราเน่ยสงสารยายมากเลยยายพูฉันหลับแล้วเราตั้งแต่นั้นนะกินยานอนหลับแล้วยายก็คุยตั้งแต่ สามทุ่มยันสว่างเลยไม่หลับอีกแล้วเนี่ยชีวิตในโรงพยาบาลนะอยู่โรงพยาบาลแล้วก็คนน้นมาเยี่ยมคนนี้มาเยี่ยมหมอพยาบาลอนะไรหน้าห้องมีป้ายห้ามเยี่ยมนะแต่ว่ามีคนมาตลอดมีคนมาถามเรื่อยๆอกว่าหลวงพ่อเบื่อไหม มาอยู่โรงพยาบาลไม่ได้อยู่วัดเบื่อไหมไม่เบื่อบอกเขาไม่เบื่อเบื่อเป็นโทสะเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าเราภาวนาให้ดีนะภาวนาให้ถึงจิตถึงใจของเราเองนะเวลาเราเจ็บไข้ขึ้นมาทุกคนมีโอกาสเจ็บไข้ทนันนะเวลาเราเจ็บไข้ขึ้นมาแต่เราฝึกจิตของเราไว้ดีแล้วเราไม่ทุกข์ เราเห็นร่างกายมันทุกข์อย่างเขาเอาไปผ่าโน้นผ่านี้เจาะโน้นเจาะนี้นะร่างกายมันทุกข์คือจิตมันไม่ทุกข์มันก็ดูเห็นเขาทําอะไรต่ออะไรเกี่ยกับร่างกายบางทีไปผ่าผ่าเสร็จแล้วหมอถามบอกว่าหลวงพ่อหลับไปหรือเปล่าบอกไม่หลับหรอกใครจะหลับไปกลีตตรงโน้นตรงนี้ะ บอกทำไม ห, หลวงพ่อนิ่งจังล้วก็ถามหมอแล้วจะให้หลวงพ่อร้องบวยวายเหรือเนี่ยเราเห็นร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งนะเขาทําอะไรเขาทำหน้าที่ร่างกายได้แต่มันทำเขาหน้าที่จิตไม่ได้เ พ, พราะพรุทธเจ้าถึงสอนมองให้จิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้เราอยู่ตรงไหนนะเราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นได้ ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่วัดต้องอยู่ที่กุฏิของเราเองถึงจะมีความสุขนะในยายามขับขันยามจําเป็นนะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขร่างกายจะเจ็บป่วยขนาดไหนจิตใจก็ยังสงบสุขอยู่เนื้อการฝึกกรรมฐานมันช่วยเราได้มากพวกเราทุกคนต้องฝึกเพราะเราไม่รู้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องพลัดพราก จากคนที่เรารักที่พอใจเมื่อไรเราไม่รู้ว่าเราต้องเจอสิ่งซึ่งไม่ชอบใจเมื่อไรเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรเรามีแต่คำว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยู่เต็มไปหมดท่ามกลางความไม่รู้ก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนงั้นการที่เรามาฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้ชาน้ชำนานจนกระทั่ง เห็นขันทั้งหลายมันแยกตัวออกไปร่างกายอยู่ส่วนร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนความรู้สึกสุขทุกข์กนะุศลอกุศลก็อยู่สนะ่วนกุศลอกุศ ล, ค, ล, ค, ลความจำได้หมายรู้ก็อยู่ส่วนความจำได้หมายรู้ความรับรู้คือตัวจิตจิตคือธรรมชาติที่รับรู้อารมณนะ์ถ้าเราสงสัยว่าจิตคืออะไรจิตเป็นยังไงจิตคือตัวที่รับรู้อารมณ์ มันอยู่ในนี้ความรับรู้ถ้าโดนบางยาสลบจิตจะหายไปเพราะฉจิตคือความรับรู้นะแต่ว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยแทนที่มันจะทำหน้าที่รับรู้ตรงไปตรงมามันมักจะเข้าไปแทรกแซงสิ่งที่มันรู้อย่างมันไปเจออารมณ์อย่างนี้เข้ามาจิตมันไม่ชอบ ทางทั้งที่อารมณ์นั้นก็เป็นของประจําจโลกอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยเป็นของประจําจโลกใครๆก็เจ็บป่วยแต่จิตที่ไม่ได้ฝึกมันไปเห็นร่างกายเจ็บป่วยมันรู้สึกว่าเราเจ็บป่วยแต่จิตที่ฝึกดีแล้วมันจะเห็นวนะ่าร่างกายเจ็บป่วยไม่ใช่เราเจ็บป่วยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวลา เราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเช่นเราพลัดพรากจากคนที่เรารักบางคนเนี่ยถูกทอดทิ้งโกหักอะไรอย่างนี้นะหรือบางทีไม่ได้อกหกักแต่คนที่เรารักตายไปเนี่ยชีวิตเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าจิตได้ฝึกมาดีแล้วมันจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นไปอย่างใจนึกทุกครั้งไปไม่มี ความสงปรารถนาตลอดกาลยไม่มีแต่ว่าอย่างสงมติเรามีสามีอยู่นะสามีเราดีแสนดีเราตายใจที่มันฝึกดีแล้วมันจะมีความรู้สึกว่านะตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานะเราก็มีความสุขแล้วนี่ถึงเวลาที่ความสุขอันนี้จากการที่อยู่กับคนนี้หมดไปเนี่ยใจก็ไม่เศร้าโศก มันเป็นเรื่องธรรมดาคิดถึงเขาที่ไรจิตใจก็มีความสุขคิดถึงคุณงามความดีของเขาอะไรเงี้ยหรือสามีบางคนเลวมากเลยเลวสุดๆเลยนะพอตายไปเราคิดถึงขึ้นมาเราก็มีความสุขอีกนะเราก็มีความสุขเออมนตายซะได้นะเ <laughs> นี่ยสมมติเขาเป็นคนดีดีกับเราทุกสี่ทุอย่างแล้วความประพฤติเขาก็ดเขาก็ตายไปเราก็ต้องนึกได้นะว่าชีวิตเรานี้มีบุญนะ อย่างน้อยช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยเราได้อยู่กับคนที่ดีเราได้มีความสุขแล้วแต่ความสุขก็ทําหน้าที่ของความสุขเสร็จแล้วถึงเวลาความสุขเขาก็หมดไปเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไรเข้าใจคําว่าธรรมดาไม่นั่นาเข้าใจคําว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องแปลกธรรมะไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องผิดปกติเมื่อไรเราเข้าถึงความเป็นธรรมดาเราเรียกว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมะ ธรรมดาของกายเป็นยังไงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมเป็นธรรมดาไหมไม่ธรรมดาอย่ามาพยักหน้าเลยลองตีนกาขึ้นดิธรรมดาไหมผมงอกนะธรรมดาไหมไม่ธรรมดาหรอกถ้าธรรมดานะตีนกาขึ้นเป็นธรรมดาของร่างกายอยู่มานานแล้วนี่น่าภูมิใจอยู่มาได้ตั้งนาน บางคนไม่มีโอกาสที่จะมีตีนกาสักตีนหนึ่งนะโดนตีนอื่นตายไปซะก่อนนะเลยไม่เจอตีนกาเนะี่ยถ้าเราใจไม่เห็นว่าทุกอย่างธรรมดานะมันจะไม่ทุกข์ถ้าเราอยากอะไรที่เกินธรรมดาเราจะทุกข์อย่างเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาเราอยากไม่แก่ทุกข์ไหมอยากไม่แก่ทุกขนะ์ความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราอยากไม่เจ็บไข้จะทุกไหมใจนี่แหละจะทุกแต่ถ้าใจเห็นว่าความเจ็บไข้เป็นธรรมดานะเวลาเจ็บไข้ไม่ถูกนะหลวงพ่อพิสูจน์มาแนละ้วด้วยตัวเองนะร่างกายแก่มันก็แก่โดยธรรมชาตนะิร่างกายเจ็บไข้ก็เป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นอย่างนี้ยังขนาดยังนึกเลยถ้าจะตายนะก็ไม่ทุกอีกเลยถ้าตายน่าจะร่าเริง้วยภาระของเราหมดไม่ต้องแบกหาม ร่างกายนี้อีกต่อไปนี่เราจะมาเรียนนะถ้าเราเห็นร่างกายมีธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไม่ทุกเวลามันแก่มันเจ็บมันตายถ้าเราเรียนรู้จิตใจของตัวเองเราเห็นว่าจิตใจเนี่ยก็มีธรรมชาติที่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างนะธรรมชาติของจิตใจตามความเป็นจริงของเรามันเป็นยังไง ถ้าเรารู้มันอย่างที่มันเป็นไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างอื่นหรืออยากอะไรที่ผิดธรรมชาติเราจะไม่ทุกข์ถ้าเมาื่าอะไรเราอยากนะให้มันฝืนความเป็นจริงฝืนธรรมชาติมันจะทุกข์ดังนั้นที่เรามาภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของร่างกายพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของจิตใจเนะีเพื่อให้จิตใจนะี้ยอมรับ ความเป็นจริงของร่างกายยอมรับความเป็นจริงของจิตใจถ้าเขายอมได้เขาจะไม่ทุกข์อย่างร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายอมได้จะไม่ทุกขนะ์ร่างกายเป็นอย่างนั้นแนละแล้วจิตใจเป็นยังไงบ้างจิตใจบางครั้งนะก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจนะเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจ บางครั้งเราก็พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่เราพอใจใจยังมีความชอบมีความไม่ชอบอยู่ใจก็ยังดิ้นไปเรื่อยๆทําไมมันชอบเพราะมันคิดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้นําความสุขมาให้ทําไมมันไม่ชอบเพราะมันคิดว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้นําความทุกข์มาให้อย่างเราอยากอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยเพราะเราคิดว่าการที่เราอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยจะมีความสุข อยู่กับคนที่รักเนี่ยเราจะมีความสุขจริงไม่จริงไม่แน่ใช่ไหมความจริงที่แท้จริงก็คือไม่แน่เราอยู่กับคนที่เรารักเราจะทุกข์มากก็ได้เพราะไอ้คนนี้มันเลวเหลือเกินนอกใจเราปีหนึ่งสามอหสิบวันเป็นคนดีห้าวันคือวันอะไรบ้างเป็นคนดีไม่นอกใจเรามีไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราอยอมรับความจริงได้ว่าสามีเรานะเลวมากเลยเจ้าชูท้ทีแรกมันไม่เจ้าชู้เราโง่เองเราไปดูคนผิดเราไปอยู่กับเขาอยากจะเลิกก็ยังเลิกไม่ได้เพราะมันเป็นคนเลี้ยงเราจําเป็นต้องให้มันเลี้ยงไปก่อนหาคนเลี้ยงยังไม่ได้จําเป็นต้องอยู่แต่ถ้าอยู่แล้วก็เข้าใจความเป็นจริงว่าจริง ๆ, ๆเขาเป็นอย่างนี้แหละจริงๆเขาไม่ไดีอย่างนี้แหละ เราอย่าไปหวังว่าเขาจะต้องดีที่เราทุกข์ขึ้นมาเวลาเราอยู่กับคนไม่ดีแล้วเราทุกข์ขึ้นมาเนะี่ยเพราะเราไปอยากให้เขาดีเราไปอยากให้เขาได้อย่างใจเรามีไหมคนที่ได้อย่างใจเราไม่มีเรายังไม่ได้อย่างใจตัวเองเลยแต่เราอยากให้คนอื่นนะสมใจอยากของเราเนี่ยความอยากต่างหากหละที่ทำให้เราทุกข์ ไม่ใช่ว่าการที่เราเจอคนนี้หรือไม่เจอคนนี้ทำให้เราทุกข์นะสิ่งที่ทำให้เราทุกข์จริงๆคือความอยากของเราเองอย่างเราพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยจริงก็คือเราอยากอยู่กับคนนี้นานๆอยากให้อยู่ด้วยกันตลอดแต่แล้วความเป็นจริงก็คือมันอยู่ไม่ได้ต้องแยกย้ายกันไปื่อทีเขาดีแสนดีเขาเกิดตายให้นมาเนี่ยเราไม่สามารถอยู่กับเาตลอดได้ แต่ถ้าจิตเราเห็นความจริงนะว่าการอยู่กับสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่รักเนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่เที่ยงนะการเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่เที่ยงเนะี่ยในชีวิตเรานะมีแต่ของที่ไม่แน่นอนใจมันเข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนะีเวลาอะไรเกิดขึ้นนะจิตใจมันจะไม่ทุกขนะ์เราพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเราก็ไม่ทุกข์ เพราะว่าเรารู้ความจริงว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่ไม่พอใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละอย่างสมมติบ้านเรานะ่ยสร้างมาอย่างดีเลยสร้างบรรยากาศก็กดีนะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้หอมๆ อ, อะไรไว้เยอ ะ, ะ, ะ, ะแยะเต็มบ้านเลยวันดีคืนดีมีโรงเลี้ยงไก่มาอยู่ข้างบ้านเราหรือมีโรงเลี้ยงหมูมาอยู่ข้างบ้านเราเนะี่ย กลิ่นเนี่ยสุดๆเลยพวกเราชอบกินไก่ชอบกินหมูนะแต่เราไม่ชอบขี้ไก่ขี้หมูเราอยากได้ไก่พันที่ไม่ขี้อยากได้หมูพันที่ไม่ขี้สัตว์ที่ไม่ขี้มีอยู่ตัวเดียวตัวปีเสี้ยซึ่งมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะนะนอกกนั้นมันขี้ทั้งหมดเลยเนี่ยบ้านเราอยู่สร้างมาอย่างดีเลยนะสบายมีความสุขร่มเย็น อยู่ๆมีโรงงานเหม็นๆมาอยู่ข้างบ้านเราหรือมีโรงงานทำอะไรเสียงดังๆอู่ซ่อมรถเสียงดังๆอนะอยู่ติดกับบ้านเราขนเนี่ยใจที่ยอมรับความจริงไม่ได้นะมันจะทุกข์ถ้าใจยอมรับความจริงได้ก็จะรู้ว่ามันก็แค่เสียงเท่านั้นแหะมันก็แค่กลิ่นเท่านั้นแหละเสียงเที่ยงไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงนะแล้วถ้าเราอยู่กับมันนานๆเราจะชินนะ อยู่กับมันนานๆเราจะชินมีสิ่งที่เหม็นๆอยู่อย่างหนึ่งนะที่พวกเราชินคือตัวเราเองอนะ่ะหอมไหมไม่หอมหรอกแต่เราไม่ค่อยได้กลิ่นใช่ไหมปากของเรานะไม่ใช่หอมนะแต่เราไม่รู้สึกเราชินนะเ น, นี่ยพอใจเราชินใจเราไม่สนใจจิตไม่เข้าไปจับอารมณ์นะจิตไม่เดือดร้อนอะไรแต่อันนี้มันไม่ทุกข์เพราะมันเฉยชินยังนป็น ความไม่ทูกแบบเกรดต่าหน่อยอย่างบ้านอยู่ใกล้ๆที่โรงงานเสียงดังชินแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงบ้านอยู่ติดลิมถนนชินแล้วไม่ได้ยินเสียงอันนี้มันคล้ายๆมันดืด้อ ด, ด้านมันดื้อด้านม่เคยชินนะยังไม่เก่งจริงถ้าเก่งจริงเราต้องมาฝึกที่ใจเราอย่างเราไปได้กลิ่นที่ไม่ดีนะหรือไปเห็นรูปที่ไม่ดีนะใจเราไม่ชอบ ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบเห็นเล่อใจไม่เป็นกลางพอเรารู้ทันใจที่ไม่ชอบใจที่ไม่เป็นกลางมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองคราวนี้กลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นนะกลิ่นที่เหม็นมันก็ไม่คงที่กลิ่นที่หอมมันก็ไม่คงที่รูปที่สวยก็ไม่คงที่รูปที่น่าเกลียดมันก็ไม่คงที่เนี่ยใจมันจะเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่มากระทบ สิ่งที่มากระทบเรามันกระทบได้หกช่องทางกระทบทางตาคือเรามองเห็นกระทบทางหูคือได้ยินเสียงกระทบทางจมูกคือได้กลิ่นกระทบทางลิ้นคือรู้รสนะกระทบทางร่างกายก็สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนะความตึงความไหวนะรู้ที่ร่างกายกระทบทางใจนะมีทั้งรูปธปรรมนามธรรมานะมีทั้งเรื่องราวที่คิดนึกนะมีทั้งพระนิพพาน กระทบด้วยใจทุกสิ่งที่มากระทบเราในใจเรานี่นะโยเวนพนิพานนะสิ่งทั้งหลายทั้งตัวเนี่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่อยู่กับเราถาวรเพราะเราจะต้องมาหัดจิตใจของตัวเองพาจิตใจให้เรียนรู้ความจริงซ้ำแล้วซ้าเล่าความจริงของร่างกายมันเป็นยังไงเรียนรู้มันลงไปความจริงของจิตใจเป็นยังไงเรียนรู้มันลงไป ถ้าเรียนรู้ได้จนจิตใจยอมรับความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปความทุกข์ในโลกนี้มีสองอย่างเองความทุกข์ของร่างกายกับความทุกข์ของจิตใจนะความทุกข์ของคนอื่นไม่เกี่ยวว่าเราแต่ความทุกข์ที่เกี่ยวว่าเราเนี่ยความทุกข์ในกายในใจนี่แหละความทุกข์ในร่างกายถ้าเราเรียนรู้มันคอยรู้สึกตัวเพพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ท่านไม่ได้สอนให si, uh, ้หนีทุกข์ การรู้ทุกข์ก็คือความทุกข์อยู่ที่ไหนรู้ลงไปที่นั้นไม่ต้องหนีมันแต่ไม่ใช่ไปจ้องมันนะให้รู้เฉยๆด้วยไม่ได้ไปดับมันไม่ต้องดับทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้ละพวกเราเวลาภาวนาแล้วมันจิตใจว้าวุ่นขึ้นมาอยากละ้ะรู้สึกไหมอยากสงบอยากดีอยากสุขอยากสงบความอยากเกิดเมื่อไหรความทุกข์เกิดเมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะกระทั้งอยากเป็นคนดีก็ทุกข์นะ อยากอย่างนอนอยากอย่างนี้อยากทีไรทุกทุกทีเลยเย่างเวลามันร่างกายแก่อยากไม่แก่ทุกทุกเข้ามาที่ใจละเวลาร่างกายเจ็บไข้อยากไม่เจ็บไข้ใจเป็นคนอยากความทุกข์จะเข้ามาที่ใจเวลาจะตายอยากไม่ตายความทุกข์ก็จะเข้ามาที่ใจเวลาพลาดพลากอยากสิ่งที่รักไม่อยากพลาดพลากความทุกข์ก็เข้ามาที่ใจเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักไม่อยากเจอความทุกข์ก็เข้ามาที่ใจ เวลามีความหวังขึ้นมาอยากให้สมหวังมีความอยากเมื่อไหร่มีความทุกข์มานั้นเ น, นี่ยเราจะเรียนรู้ความจริงอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจความจริงของมันยังไม่ทำให้เราทุกข์หรอกเพราะฉะนั้นความจริงไม่ทำให้เราเป็นทุกข์นะแต่ความอยากสักหากทำให้เราเป็นทุกข์อยากไม่แก่ได้ไหมเด็กเกิดมาชั่วโมงหนึ่งมันก็แก่แล้วมันแก่ไปหนึ่งชั่วโมง เพราะ้ทันทีที่เกิดขนานั้นแกะนะ่แล้วทันทีที่เกิดตัวเล็กๆคลอดมาใหม่ๆขนาดนั้นสุขหรือทุกข์ทุกนะเกิดมาปุ๊บก็ทุกไปร้องแว้แ ว, แวแะนะ้แล้วแล้วในขนานั้นมันก็ตายอยู่ตลอดเวลาในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ที่เกิดขึ้นมีเซลล์ที่ตายไปอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงของมัน เรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรียกว่ารู้ทุกกายคือตัวทุกใจคือตัวทุก์เมื่อไรรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะละสมุทัยคือละความอยากความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกการละความอยากนั้นทําได้หลายแบบอย่างคนทั่วไปหรือสัตว์ทั่วไปเนะี่ยละความอยากด้วยการสนองความอยากอยาก กินข้าต๋่เวเขาไปกินข้าวต๋ยวหายอยากแล้วรู้สึกสบายใจในี่สนองเงาตอบสนองไปเรื่อยๆแต่การตอบสนองนั้นถึงจุดหนึ่งก็ตอบสนองไม่ได้นะมันมีขีดจำกัดที่จะตอบสนองเพราะฉะนั้นหนีไม่รอดรอ ก, การที่จะแก้ความอยากด้วยการตอบสนองเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ทำไม่ได้บางคนก็ทำในสิ่งที่ตรงข้ามอย่างมันอยากกินข้าวนะ ไม่กินอดมันเลยนะทรมานกายอดมันเลยมันอยากสบายอยากมีความสุขอยากมีความสบายไปนอนบนน้ำนอนบนตะปูมันเลยนะให้มันทรมานไม่สนองความอยากแท้จริงการไม่สนองความอยากนนะก็คือการสนองความอยากแต่สนองในทางน egative สนองในทางลบมันสั่งให้เราทำอย่างนี้เราก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งที่จริงก็คือมันสั่งทั้งหมดเลย มันสั่งให้ไปหาข้าวกินกูไม่กินเห็นไหมเป็นตัวของตัวเองไหมไม่เป็นเพราะตัวตั้งโจทย์นะี่คือไอตัวความอยากมันเป็นตัวตั้งโจทย์ให้เราแล้ว เ, เราก็แค่บอกฉันไม่เอาฉันไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาของความอยากได้จริงวิธีแก้ปัญหาความอยากของชาวพุทธเราก็คือการรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจเนี่ย รู้กายอย่างที่กายเป็นนะมันจะเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์รู้ใจอย่างที่ใจเป็นมถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นจิตใจนี้คือตัวทุกข์พอเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยความอยากที่จะให้ร่างกายจิตใจมีความสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากที่ให้ร่างกายจิตใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันทุกข์จะไปอยากให้มันสุขเนี่ยเป็นความโง่เขลาของเราเองนะ เป็นความไม่รู้เป็นอวิชาของเราเองมันเป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้มันสุขเนี่ยเป็นความโง่มันเป็นตัวทุขววกข์จะอยากให้มันไม่ทุกข์มันก็ไม่ฉลาดอีกเลยเพราะยังไงมันกะทุกข์อย่างร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ยังไงมันก็ทุกข์ถ้าเรารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจแล้วเนี่ยความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้น ความอยากที่จะให้ร่างกายจิตใจพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อความอยากไม่เกิดเนี่ยสมุทัยไม่มีความทุกข์ทางใจจะไม่มีนี่วิธีจัดการกับความอยากนะทำได้หลายระดับนะถ้าชาวโลกเขาก็ตอบสนองมันมัง่งต่อต้านมันบ้างถ้าเป็นนักปฏิบัติบางทีเราก็สู้กับความอยากด้วยสติบางทีก็สู้ด้วยสมาธิ บางทีก็สู้ด้วยปัญญาทำได้หลายอย่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้อย่างความอยากเกิดขึ้นมาในใจเราเรามีสติรู้ทันความอยากนะความอยากจะดับอัตโนมัติตรงนี้พวกเราใครเคยเห็นบ้างเวลาความอยากมันผุดขึ้นมาในใจพอเรารู้ปุ๊บมันจะดับเลยนะเพราะความอยากเป็นตัวโลภะเป็นตัวโลกนะเป็นกิเลสทันทีที่มีสติกิเลสจะมีไม่ได้ แล้วพอความอยากดับการดิ้นรนของจิตใจเพราะความอยากนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าจิตใจต้องดิ้นรนนะจิตใจก็เหน็ดเหนื่อยจิตใจก็มีความทุกข์เงียยแค่เรารู้ทันนะว่าความอยากเกิดขึ้นในใจเราความอยากก็จะดับเองอันนี้เป็นการดับด้วยสติประเดี๋ยวก็เกิดอีกนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้ว เดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากกลับไปกลับมาใครเคยเป็นบ้างเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากยิ่จะซื้อของเนียซื้อดีไม่ดีนะซื้อนะ่ะไม่อ้อย่าซื้อเลยนะยึกยกัยกยึกยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากพอมีสติรู้ทันใจที่อยากนะไม่ก็หมดความอยากพอขาดสตินะกิเลสก็กลับมาครอบอีอกอยางอีก อันนี้สู้ด้ยสติเนี่ยสู้ได้เป็นขณะขณะแล้วส่วนใหญ่ก็าแพ้เมื่อก่อนหลวงพ่อมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักไม่ใช่เด็กหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ไม่ใช่ป๋านะมีเด็กคนหนึ่งเรารู้จักนะมาบอกมาเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวศูนย์การค้าตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยเห็นหมวกใบหนึ่งสวยอยากได้อยากได้รู้ว่าอยากได้นะ ความอยากก็ดับเลยแล้วก็เผลออีกทีนึงมาถึงบ้านพร้อมหมวกนะมันต้องเผลอนานเชียวนะเผลออีกทีหนึ่งนี้มาถึงบ้านพร้อมกับหมวกแล้วเนี่ยรู้ด้วยสตินะสู้ความอยากได้แป๊บเดียวส่วนมักแพ้ถ้าอีกอย่างหนึ่งคือสู้ด้วยสมาธิใจมันมีความอยากขึ้นมาเนี้ยนะใจมันหิวในกามนั่นแหละมันอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสอยากได้สัมผัสอะไรเงี้ย รู้ทันใจที่อยากไปนะแล้วก็ไม่สนใจมันเอาจิตเข้ามาจับอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานของเราอย่างมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธเราไม่ไปดูเราไอ้มือถือเครื่องใหม่หรือนาฬิกาโรเล็กอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้ให้เรายืมเราก็ไม่มีใช้นะ เ, เราก็แคนะ่แทนที่จะไปคิดถึงนาฬิกาโรเล็กเราไม่คิดถึงพุโทโธอย่างนี้มาอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปจิตสงบจิตรวมลงไปนะ ไอ้ความอยากอะไรเนี่ยอยากได้นาฬิกงนาฬิกาอะไรเนี่ยหายไปเลยหายไปได้นานยาวเพราะกําลังของสมาธิมันข่มกิเลสเอาไว้ได้นานหน่อยอยิ่งถ้าเราเข้าฌาญได้เนี่ยนะค่มได้หลายวันแต่ไม่เกินเจ็ดวันเพราะนเราสู้ขัตัิหาเนี่ยสู้ด้วยสติเนี่ยสู้ได้แวบเดียวสู้ด้ว ย, วยวสมาธิสู้ได้นานหน่อยถ้าสู้ด้วยปัญญาค่อยๆเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆ ความอยากเกิดทีไรความทุกเกิดทุกทีเรียนรู้มันลงไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรู้เลยว่าทุกสิ่งที่เกิดมาเนี่ยล้วนแต่แปรปรวนไม่คงที่อย่างเราอยากได้ของสิ่งนี้ยเพราะเราอยากมีความสุขที่จริงสิ่งที่เราอยากได้คือความสุขนะหรือความไม่ทุกเราอยากได้สิ่งเหล่านี้แต่ทําไมเราต้องจีบผู้หญิงคนนี้เพราะเราคิดว่า ถ้าได้ผู้หญิงคนนี้มาแล้วเรามีความสุขเเราไม่ได้ต้องการตัวผู้หญิงคนนี้นะสิ่งที่ต้องการคือความสุขหรือเราชอบผู้ชายสักคนหนึ่งไปดูให้ดีเถอะสิ่งที่ต้องการคือความสุขถ้าเราอยากได้คนนี้มาแล้วเรารู้ว่าได้มาแล้วทุกแน่นอนเนี้ยจิตไม่เอาหรอกจิตไม่โง่ขนาดนั้นหรอกที่เราอยากได้จริงๆนะไม่ใช่รูปที่สวยเสียงที่เพราะกลิ่นที่หอมนะเรื่องราวที่ดี แต่สิ่งที่อยากได้จริงๆคือความสุขสิ่งที่อยากได้จริงๆคือความไม่ทุกข์ต้องการตรงนี้เนี่ยเราเรียนรู้ไปมีปัญญาเรียนรู้ลงไปนะจนเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนีดับทั S <S ้งสิ <S <s ้นอย่างเราจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับนะความดีเกิดขึ้นแล้วก็ดับความโลภโกรธหลงความอยากเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับ ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกลงไปสุดท้ายจิต จ, จะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญามันจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางต่อความสุขเช่นเดียวกับเป็นกลางต่อความทุกข์เจอความสุขก็มไม่หลงยินดีเจอความทุกข์ก็ไม่เกลียดชังเพราะมันมีปัญญามันรู้ความจริงแล้วว่าความสุขก็มไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเนี่ยสู้ด้วยปัญญานะมันจะทรงอยู่ได้นานนะความเป็นกลางตัวเนี้ยใจใจะไม่ ไหลไปตามความอยากเนี่ยอยู่ได้นานแต่ก็ยังไม่เที่ยงตรงที่จิตเป็นกลางต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความปลุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยปัญญาเนี่ยเรียกว่ามีสังขารู้เบกขาญาณญาณคือปัญญาอุเบกขาต่อสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีและชัว่วเห็นสุขกับทุกข์เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เห็นดีและชั่วเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ เวลาสุขขึ้นมาจิตไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่ามันเป็นสุขนี่เป็นไใจลักเวลามันทุกข์ขึ้นมาจิตก็ไม่หลงยินร้ายเพราะรู้ว่าความทุกข์ก็เป็นใจลักเวลาจิตเป็นกุศลขึ้นมาก็ไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าตัวกุศลเองก็ตกอยู่ใต้ใจลักตัวอากรุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่เกลียดมันเดี๋ยวบางคนเกลียดเวลาโกรธขึ้นมาแล้วเห็นว่าตัวเองโกรธเนี้ยโมโหตัวเองเลยใครเคยโมโหกิเลสตัวเองบ้าง ยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมทั้งนั้นแหละพวกที่ไม่ยกคือพวกดูไม่เป็นะมันก็ทํา อ, อยากปฏิบัตินะเราเป็นคนดีอ่มันก็ต้องเกลียดกิเลสเป็นธรรมชาติที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าปัญญามันพอนะมันจะเห็นว่ากุศลก็ไม่เที่ยงกิเลสก็ไม่เที่ยงความรอบเที่ยงไหมเคยอยากอะไรตลอดเวลาไหมอยากตลอดวันมีไหมไม่มี สมัอยากจีบสาวสักคนหนึ่งพอนอนหลับไปนะก็ลืมสาวคนนั้นไปแล้ะหรือกําลังอยากจีบสาวคนนีนะ้เจอโจทย์เก่าของเราควักมีดออกมาวิ่งเข้ามาเนี้ยเราลืมสาวคนนั้นลนะเราจะรักเขานะียตอนที่เราคิดถึงเท่านั้นเองตอนที่จิตไปจับอารมณ์อื่นเราก็ไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้ต่อไปละนี่เราจะเห็นนะกระทั่งความรักนะเกิดแล้วก็ดับ ความโกรธเกิดแล้วก็ดับความดีความชั่วทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยดูเข้าไปบ่อยๆสุดท้ายปัญญามันเกิดเรียกว่าได้สังขารู้เปขายาณจิตเราจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วจะไม่เกิดความอยากอยากสุขอยากไม่ทุกข์อยากดีอยากไม่ชั่วจะไม่เกิดความอยากขึ้นใจก็พ้นจากอานาจของความอยาก แต่ตรงนี้ก็ยังไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะสังขารูปเปกขายานเนี้ยยังเป็นโลกียาณอยู่เสื่อมได้วันนี้เป็นกลางอีกวันหนึ่งไม่เป็นกลางเป็นไปได้ไหมวันนี้เป็นกลางอีกวันหนึ่งไม่เป็นแล้วเะฉะนั้นมันยังเป็นของไม่แน่นอนมาสู้ด้วยสติก็ไม่แน่นอนสู้ด้วยสมาธิก็ทรงอยู่ได้ชั่วกําลังของสมาธิสมาธิเสื่อมความอยากเข้ากลับมา สู้ด้วยปัญญาบางช่วงปัญญาไม่เกิดบางช่วงความโง่เกิดขึ้นแทนความโมหะความหลงเกิดขึ้นแทนตอนนั้นปัญญาช่วยเราไม่ได้เพราะปัญญาไม่มีดังนั้นสู้ด้วยปัญญาก็ยังไว้ใจไม่ได้สิ่งที่เราจะไว้ใจได้ต้องถึงระดับมรรคสู้ด้วยมรรคสู้ด้วยอริยมรรคเข้าไปทำลายความไม่รู้ ความไม่รู้ก็คือความไม่รู้อะไรความไม่รู้ที่มักเข้าไปทำลายนี่คือความไม่รู้อริยสัจสเริ่มตั้งแต่ไม่รู้ทุกเราจิตใจของพวกเรานี่ไม่รู้ความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกมันไม่รู้ความจริงว่าจิตนี้คือตัวทุกเราไม่เคยเห็นว่ากายนี้เป็นทุกนะเราไม่เคยเห็นว่าจิตเป็นทุกสิ่งที่เราเห็นคืออะไร เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนั้นภูมิธรรมระดับพระอนาคามีของเราพระอนาคาราคาสังไม่ใช่อนาคามีเพราะงั้นเรายังเห็นนะร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าคนโง่ร้อยเอร์ซ็นตโง่เต็มร้อยจะเห็นว่าร่างกายเป็นสุข ถ้าคนมีสามัญสำนึกอย่างพวกเราให้เห็นร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ถ้าเราเจริญสติรู้ร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยความทุกข์เกิดทุกลมหายใจเข้าออกความทุกข์เกิดขึ้นในทุกๆอิริยาบถความทุกข์เกิดขึ้นในทุกความเคลื่อนไหวและการหยุดนิ่งของร่างกายลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวที่สุด หายใจเข้าเรื่อยๆนะอย่าหายใจออกทุกหรือไม่ทุกหายใจเข้าเราก็ทุกใช่ไหมหายใจออกให้ยาวที่สุดทุกไหมนั้นที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะเพื่อหนีทุกเราหายใจเข้าไปนิดเดียวนะมันเริ่มทุกเราเพแอบหายใจออกแล้เพื่อหนีความทุกหายใจออกไปประเดี๋ยวหนึ่งก็เริ่มเป็นทุกอีกแล้วก็เลยต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกที่นั่งหายใจเพื่อเพอยู่เนี่ย เพื่อหนีทุกข์นะวิ่งหนีทุกข์ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองวันในหายใจไม่ได้ความทุกข์บีบคั้นตายเลยทําไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งอย่างเดียวได้ไหมมันทุกข์ใช่ไหมนั่งนานๆทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นอนนานๆทุกข์ไหมทุกข์ถ้านอนแล้วไม่ทุกข์นะพวกเป็นอมภะพาสนี่ถือว่าเป็นสุขติเพราะ นอนนิ่งๆ น, นะไม่ได้กระดุกกระดิกตลอดเวลาเลยได้นั่งกินนอนกินอเงี้นอ น, นอนเฉยๆทุกนะตัวเน่าเลยร่างกายเน่าเลยทนอยู่ไม่ได้ไม่การที่เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเพื่อหนีทุกนั่งนานมันทุกก็ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถเดินนอนยืนต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเพื่อหนีทุกเหมือนที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละทำเพื่อนหนีทุก หรือเราเคลื่อนไหวเราหยุดนิ่งก็เพื่อหนีทุกข์อย่างขณะนี้พวกเรานั่งอยู่ส่วนใหญ่นั่งมีบางคนเท่านั้นที่ยืนเวลาเมื่อยตอนนั่งอยู่เราลุกขึ้นยืนมันน่าเกลียดใช่ไหมเสียมารยาทเดี๋ยวเขาจะว่าปูา่ย่าตายายไม่สั่งสอ น, นเราทำยังไงเวลาเมื่อยขยับไหมทำไมต้องขยับ เพราะว่าแก้ทุกมันทุกดังที่เราขยับตัวอยู่ทุกทีนะส่วนใหญ่ก็คือเพื่อแก้ความทุกขนะ์เนี่ยหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นะรู้รู้ลมไปรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าไปเรือยถ้ามีปัญญาเห็นมันหายใจหนีทุกข์รู้อิริยาบถสีนะ่ตรงที่รู้ลมหายใจเนะี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบัพ หรือหมวดที่หนึ่งนะชื่ออาณาปานาสติอันที่สองกายานุปัสนาสติปฐานหมวดที่สองนะชื่อว่าอิริยาบถคือเห็นอิริยาบถสี่ทำไมเราต้องมีอิริยาบถเพราะมันทุกข์กายานุปัสนาสติปฐานหมวดที่สามชื่อสัมปชัญญะรู้ความเคลื่อนไหวและความหยุดของร่างกายเคลื่อนมากๆทุกข์ไหม เคลื่อนมากๆ ก, ทก็ทุกข์ก็ต้องหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งนานๆทุกข์ก็ต <maintenant S 2> ้องเคลื่อนไหวอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนะเราจะเห็นนะร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกข์ลมหายใจเข้าออกร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกข์ทุกอิริยาบถร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกขทุกความเคลื่อนไหวและความหยุดนิ่งอย่างถ้าเคลื่อนไหวซ้าๆไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวก็เมื่อยทนไม่ได้ เนี่ยเรามีสติเระลึกรู้ความจริงของร่างกายไปเรื่อยๆเห็นร่างกายนี้มีแต่ทุกข์เพียงแต่บางทีทุกข์มากบางทีทุกข์น้อยไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอย่างที่เคยเห็นวันใดที่เราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นะีเรียกว่ารู้ความจริงและเห็นตามความเป็นจริงละจิตใจจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในร่างกายนะแล้วก็ปล่อยวางคราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายเราจะไม่ทุกข์ ใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วหรือถ้าเรามาดูจิตใจเราค่อดูจิตใจเราไปเรื่อยนะจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนความสุขก็ไม่เที่ยงแล้วจะหิวโหยอะไรกับมันนักหนาความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจะเกลียดชังอะไรกับมันนักหนาเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจิตมันมีความสุขก็รู้จิตมันมีความทุกข์ก็รู้รู้มันแค่เนี้วันหนึ่งวันหนึ่งจะยากเย็นแสนเข็นอะไรรู้ไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยง ความหิวในความสุขความเกรียดชังในความทุกขก็จะไม่เกิดใจก็พ้นจากความอยากนะแล้วค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปให้เข้าใจความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งอีกตัวจิตเองนี่แหละเป็นตัวทุกข์แต่ถ้าเราเห็นตรงนี้เราใกล้จะถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเราจะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์พาะเรายังไม่เห็นหรอกเพรากเราอยากเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมวันนี้แหมสบายใจเดี๋ยวเดียวก็วไม่สบายใจแล้วเนี่ยมันสุขบ้างทุกข์บ้าง แต่ถ้าภาวนาเป็นนะจะรู้เลยทุกการกระทบอารมณ์นะทุกการทำงานของจิตเนะี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์จิตมีความสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าดูเป็นแล้วจะรู้เวลาจิตมีความสุขนะจิตมีภาระขึ้นมานะมีภาระที่ต้องแบกบ่ามความสุขขึ้นมาเวลาจิตมีความทุกข์อันนี้ดูง่ายว่าทุกข์นะจิตมีความสุขเนี่ยดูถ้าดูเป็นนะจะรู้ว่าจิตมันมีภาระ อย่าว่าแต่จิตมีความสุขความทุกข์เลยจิตไปเห็นรูปจิตยังทุกข์เลยจิตได้ยินเสียงจิตก็ทุกข์แล้วจิตไปนะรู้กลิ่นทางจมูกจิตก็ทุกข์จิตไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายจิตก็ทุกข์ได้จิตไปรู้เรื่องราวทางใจจิตก็ทุกข์ได้ใครเคยเห็นเวลาจิตกระทบอารมณ์แล้วจิตมันสะเทือนไหวขึ้นมาบ้างใครเคยเห็นยกมือให้หลวงพ่อดูซิน่ะ นั่นแหละตรงที่มันสะเทือนให้มานะมันทุกข์รู้สึกไหมแล้วถ้าเราฝึกจนชํานาญนะเราจะพบว่ามันสะเทือนตลอดเวลาเลยตามองเห็นจิตก็สะเทือนหูได้ยินเสียงจิตก็สะเทือนจมูกได้กลิ่นจิตก็สะเทือนลิ้นกระทบรสจิตก็สะเทือนกายกระทบสัมผัสจิตก็สะเทือนใจกระทบความคิดจิตก็สะเทือนขึ้นมาจะกะเพิ่มไหวอยู่กลางหน้าอกเหล่านี้ตลอดเวลา ถ้าเราต้องไปยืนหรือไปนั่งหรือไปนอนในที่ที่ถูกเขย่าตลอดมันสุขหรือมันทุกข์เราถูกจิตนี้ถูกเขย่าตลอดเวลาถูกแกว่งตลอดเวลาหาความสงบหาความสันติจริงๆไม่ได้เลยถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจะรู้เลยว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ทุกคราวที่รู้อารมณ์เป็นทุกข์ จะเห็นลึกซึ้งเข้ามานะจิตนี้เองก็เป็นของหน้าเบื่อสุดท้ายจิตจะปล่อยวางจิตนะตรงที่จิตปล่อยวางจิตเนี่ยเราจะพลิกวัฏจักรวัฏสงสารถล่มทลายลงต่อหน้าต่อตา ต, ต, ตรงที่จิตปล่อยวางจิตได้นั่นเองแต่อันนี้ต้องปล่อยวางถาบด้วยองค์มักนะด้วยอารหาัตมักถ้าปล่อยด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยบางทีจิตก็ปล่อยวางจิตนะแต่แป๊บเดียวจะหยิบขึ้นมาอีกแล้ว ในนี้ยก็มีหลายคนเคยเห็นนะมาส่งกันบ้านของพ่อเคยเห็นจิตปล่อยวางจิตนะแต่ประเดี๋ยวเดียวมันก็หยิบขึ้นมาอีกทําไมมันวางแล้วมันยังหยิบเพราะปัญญามันยังไม่พอมันไม่เห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์มันชิดว่าจิตเป็นของดีของพิเศษพอเราวางไปแล้วเสียดายของวิเศษนั้นก็หยิบกลับขึ้นมาอีกปัญญายเห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกขนะ์มันวางแล้ววางเลยะจะไม่หยิบขึ้นมาอีกแล้ คราว น, นี้ยธรรมชาติรูปของเราจะแปลสภาพไปไม่ใช่ธรรมชาติรู้ที่เคยมีเคยเป็นนล้วมันจะกลายเป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งขึ้นมานะเป็นธาตุรู้สมเด็จพญานังวรนท่านเรียกวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมธาตุหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่บุดาเรียกว่าใจเดียวหลวงปู่เทศเรียกว่าใจท่านพุทธทาสเรียกว่าจิตเดิมแท้ สารพัดจะเรียกครูบาอาจารย์เรียกไม่เหมือนกันแต่ท่านเรียกถึงสภาวะของธาตุรู้ธนะาตุรูนะ้ไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้ที่เกิดดับตลอดเวลานะธาตุรู้ธนะาตุรู้เนี่ยไม่ไม่ไม่ทุกนะจิตมันสลัดกองทุกทิ้งไปแล้วตัวทุก์มาอยู่ที่ตัวขันนี่เป็นตัวธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมามันไม่ไม่จมลงไปในตัวทุกค่อยๆฝึก วันนี้ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรวั น, นข้างหน้าจะรู้เรื่องหลวงปู่ดินเคยสอนหลวงพ่อนะครั้งสุดท้ายที่เข้าไปกราบท่านนะเดือนกันยาปลายเดือนกันยาปีสองหกเข้าไปกราบท่านไปนั่งเรียนกับระธานกับท่านตั้งแต่ช่วง บ, างบ่ายจนกระทั่งค่ำหลวงปู่ดูลยนะ์ท่านอายุเก้าสบห้าท่านนั่งหอบเหนื่อยมากหลวงพ่อก็บอกหลวงปู่ครับผมจะกราบลาแล้วหลวงปู่เหนื่อยมากแล้ว หลวงปู่ก็หันมามองแล้วบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจําไว้ก่อนเพราะผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมก็กลับเรียนท่านว่าไม่เข้าใจคนระับแต่ผมจะจําไว้ท่านบอกเออจำไวนะ้น่ะสิ่งที่ท่านบอกหลวงพ่อมาวันนั้นนะก็คือการปฏิบัตินะ่ะ จะไปถึงจุดที่สิ้นสุดเนี่ยเมื่อเราปล่อยวางตัวผู้รู้ตัวจิตได้จิตปล่อยวางจิตได้นั่นแหละถึงจะพลทุกข์คือสิ่งเดียวกับที่หลวงพ่อสอนในเวบวท น, นี้นั่นเองแต่หลวงพ่อสอนแล้วลงรายละเอียดให้พวกเราเยอะหน่อยตัวจิตเองเป็นตัวทุกข์นะมันมีภาระเกิดขึ้นในทุกครั้งที่กระทบอารมณ์พอเรามีสติรู้เท่าทันเรื่อยๆต่อไปเราเห็นความจริงจิตนี้คือตัวทุกข์ ทุกเพราะไม่เที่ยงบ้างทุกเพราะถูกบีบคั้นบ้างทุกเพราะไม่อยู่ในอำนาจควบคุมไม่เป็นไปอย่างใจปรารถนาบ้างเห็นเในมุมใดมุมหนึ่งก็เรียกว่าเห็นทุกจิตก็จะวางจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตะมักถ้าที่หลวงปู่ดูลสอนแต่เวลาพูดทั่วๆไปท่านจะซ่อนคําว่าอารหัตตะมักลงไปท่านบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ ง, จงเป็นมัก แต่จริงๆแล้วจิตแห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมักเพราะตอนที่จะทําลายสังโยชน้าห้าตัวสุดท้ายที่เป็นพระอนาคายังมีสังโยชน์เหลืออยู่ห้าตัวอรหัตตมักจะมาทําลายมันจะทําลายไปพร้อมๆกับตัวจิตผู้รู้นั่นแหละเพากิเลสสังโยชนเนี้ยซ่อนอยู่ในจิตอวิชชาซ่อนอยู่ในจิตผู้รู้ทําลายลงไป พวกเราฟังยังไม่เข้าใจเหมือนที่หลวงพ่อบอกหลวงปู่ว่าไม่เข้าใจครับแต่จะทรงจำเอาไว้และวันหนึ่งภาวนาไปแล้วจะเข้าใจวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเอาแค่ว่าความอยากเกิดแล้วรู้ทันแค่นี้พอทำไหวไหมต่อไปนี้ความอยากเกิดจะรู้ทันแค่นี้แหละทำให้ได้นะถ้าทำได้ก็วันหนึ่งก็จะปล่อยวางตัวผู้รู้ได้หมดเวลาสี่สิบห้านาที เชิญส่งกันบ้างกี่คนกับนวัต ก, กรรมคะ่ะหลวงพ่อช่วงนี้จะดูจะดูความคิดน่ะคะ่ะมีความรู้สึกว่าเออมันความรู้สึกตัวมันมีหลายระดับมาเหมือนว่าเหมือนตะกี้ที่หลวงพ่อบอกว่ามันมีสติแต่จะไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็จะ ตั้งอยู่ได้ไม่นานคือบางทีเรารู้ว่าเออเราคิดแต่สักพักเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าคือเรื่องที่คิดเนี่ยมันดับไปตอนที่เรามีสติใช่ไหมคะแต่พอเราสักพักหนึ่งถ้าเราไม่มีสมาธิต่อเนี่ยเราจะคิดเรื่องนั้นต่อไปอีกมันห้ามไม่ได้จิต <c oughs> มันมีหน้าที่คิดเราเรื่องราวที่จะต้องคิดยังไม่จบเดี๋ยวมันก็วกกลับมาคิดใหม่ เพราะนั้ยเรามีงานที่จะต้องคิดต้องคิดนะไม่ใช่ไม่คิดคิดไปเถอะแต่คิดไปแล้วเวลากิเลสเกิดหรือตัณหาความอยากเกิดค่อยรู้เอาแต่คิดให้มันจบแต่ไม่ใช่คิดสเปสปาคนทั่วไปคิดสเปสปาอนนั้นใช้ไม่ได้แต่ถ้าคิดเรื่องทํางานนะคิดเป็นระบบคิดเป็นระเบียบอันนั้นต้องตั้งใจคิดนอความคิดไม่ใช่ศัตรูเราหรอกคือคือที่บอกเน่ยคือมันเป็นแบบ ความฟุงออฟ้งซ่านนะฮะฟุ้งซ่านก็ห้าม <c oughs> าไม่ได้ถึงว่าต้องต้องออให้มีสเตตว่า ค, ควาวฟุ้งซ่านเขาเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนนะพิสูจทั้งหลายห้ามฟุง้งซ่านท่านไม่ได้สอนท่านสอนบอกพิสูจทั้งหลายเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านเมื่อจิตหดหู่ให้รู้ว่าหดหูท่านสอนอย่างนี้นี่จัดใจเราฟุ้งซ่านแล้วเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ รู้เข้าไปตรงที่ชอบไม่ชอบเนี่ยตรงที่ชอบไม่ชอบนี่แหละผลักดันให้เกิดตัณหาเกิดความดิ้นรนของจิตไปรู้ทันเราคือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีความตั้งมั่นของจิตนะคะ<ร>ถึงตั้งมั่นก็อยู่ใช่ไหมไม่ตลอดเหรอคะ บ, บางทีแบบว่าสมาธิก็ไม่เที่ยงคือมันเหมือนกับ ว, ว่าบางทีเราเราดูจิตอยู่บางทีถ้าเรามีความสวดทัดเราตั้งมั่นนะคะ แม้จะมีความคิดเข้ามาเนี่ยเราจะไม่หงุดหงิดกับมันต้องระวังนิดหนึง่งถ้าตั้งแล้วเข้มเกินไปนะเป็นการเพ่งจิตซึ่งตรงนี้นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะที่ขยันปฏิบัติเนี่ยไปติดอยู่เราจะไปติดการเพ่งจิตนิ่งๆแล้วอยู่อย่างเนี้ยอยู่ได้ทั้งวันเลยนะไม่ดีนะเพ่งไหมคะเนี่ยเพ่งเ พ, งพ่งเลยค่ะรู้สึกไหมจิตมีน้ําหนัก ใช่ค่ะพ oh ักน so ี้รู้ส mm ึกเลยว่าคือหลวงพ่อบอกให้ทําทําในรูปแบบอ่ะอันนี้พอสวดมนต์เสร็จหลไม่ได้บอกให้โลภคือคือแบบให้มีวินัยอ่ะค่ะมีวินัยไม่ได้ไปให้โลภโครเล่าเลยเะนะคือช่วงก่อนจะรู้ว่าเออพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็เออมาทํานู่นทานี่คันนี้เราว่าเอ๊ะไม่ได้ละพอดีว่า ส, สังเกตตัวนะสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิอะไรก็ได้หายใจไปพูดโทรไปก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งอยากจะให้มีตัวรู้ถาวรตัวรู้ถาวรไม่เอาเลยนะเป็นตัวที่ต้องนั่งแก้กันแดนปีเลยถ้าติดขึ้นมาเนะไม่ใช่ของดีเพราะอะไรตัวรู้คือตัวอวิชานะเราไปสงวนรักษาอวิชายู่โดยไม่รู้ตัวนะ งั้นเราต้องให้เห็นว่าตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงเห็นไหมตัวรู้ก็ไม่เที่ยงนั่นแหละนั่งสมาธิพุทโธไปหายใจไปเพื่อจะดูให้เห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงต้องการแค่นี้คือสวดมนต์นี่ก็รู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านมากเลยใช่สวดไปก็คิดไปสวดไปเราเห็นชื่อมันไม่ใช่ฟุ้งอย่างเดียวมันโลภด้วยมันอยากดีมันอยากดีมันอยากปฏิบัติมันอยากพ้นทุกข์ เท่ารู้ลงไปนะเพราะฉะั้นตอนนี้ไปรู้เท่าทานการเพ่งจิตเอาไว้มันเพ่งขึ้นมาเมื่อไหร่จิตจะมีน้ำหนักขึ้นมาเมื่อ น, นั้นสังเกตได้เลยเอ่อแล้วแค่รู้เฉยๆนะคะใช่วิสุทธ์ทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะไม่มีคํากริยาที่เกิดจากคำว่ารู้เลยอยู่ ของเราจิตมีโมหะฉันจะมีโทสะกับโมหะเพราะฉันไม่อยากมีโมหอะอยาเงี้ยนะมันจะอยากมีกิเลสซ้อนซ้อนเข้ามาไปดูเอาหลวงพ่อว่าคือตอนเนี้ยมันติดอะไรนอกจากการเพ่งจิตที่หลวงพ่อบอกตอนนี้อีกไหมคะไม่ต้องกลัวนะยังมีอีกเยอะค่อยๆเรียนไปคือขณะเนี้ยแบบนั่นแหละมันอยาก เรียนปัจจุบันไปปัจจุบนันธรรมคือรู ป, ปรธรรมนามนธรรมถึงจะสอนธรรมะเราได้สิ่งอื่นกระทั่งหลวงพ่อก็สอนไม่ได้หลวงพ่อสอนแค่วิธีปฏิบัติคอยรู้รู ป, ปรธรรมนามนธรรมไปแล้ววันหนึ่งจิตจะเข้าใจความเป็นจริงอย่าว่าแต่หลวงพ่อเลยพระพุทธเจ้าเขาช่วยอะไรเราไม่ได้ท่านได้แค่บอกทางปฏิบัติให้ เราก็ลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติเราก็เจือโรคลงไปมันก็มาส่งกันบ้านนี่แหละโรคแล้วล่ะจิตมันแน่นแน่นเหมือนกัรู้ตัวได้ทั้งวันที่จริงจงใจปฏิบัติรักษาตัวรู้เอาไว้ทั้งวันไม่ดีก็มารู้วิธีปฏิบัติต่อปล่อยให้ตัวรู้มันเกิดดับให้เห็นว่าเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวชิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวเพ่งไปดูอย่างนี้นะเอาคนต่อไปกราบนวัตสการะ แบบนมัสการเจ้าค่ะก็ตอนนี้ฟุ้งซ่านมากค่ะก็เหมือนกับว่าเวลารู้สึกตัวมันจะรู้สึกผิวผิวแล้วก็จิตไม่ตั้งมั่นไม่ท ร, รู้ว่ารู้สึกผิวผิวรู้ว่าจิตไม่ตั้งมัน่นเจ้าค่ะนะอยากดีกว่านี้รู้ว่าอยากเจ้าค่ะแค่นั้นเละเจ้าค่ะทุกวันแ บ, บ่งเวลาทําในรูปแบบนะะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปแล้วก็ไม่ได้ฝึกให้สงบยังไม่เคยอยากพูดทราบไหม แค่นี้เองใช้ชีวิตปกติเนี่ยพอความอยากพูดมันผุดขึ้นมาปุ๊บคือเห็นเกิดระดับเกิดระดับเจ้าค่ะดูไปแล้วบางทีรู้สึกว่าศีลเราเศร้าหมองเพราะว่าบางทีเราอยู่กับเด็กเล็กเราแบบจิ้งจกตุ้กแกมาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันจะรู้สึกเราไม่ควรจะทําอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะก็คือพูดความจริงที่ผิดศีลไปแล้วก็แล้วกันไปเจ้าค่ะตั้งใจเราใหม่ว่าไม่ทําอีกเจ้าค่ะค่ะ แล้วก็หนูได้เปลี่ยนการปฏิบัติจากที่หลวงพ่อบอกว่าในรูปแบบที่นั่งสมาธิเนี่ยเคลิมเจ้าค่ะให้นั่งสมาธิรู้สึกตัวแต่พอรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันเหมือนไม่ไม่รวมสัทีเจ้าค่ะมันก็จะแบบฟุ้งอยู่กับลมหายใจก็ลเลยต ร, ตรงที่มันมาหยุดอยู่กับลมหายใจก็ได้สมถะและ้วเจ้าค่ะตรงที่ฟุ้งแล้วเรามีสติรู้ทันเราได้ปัญญาเจ้าค่ะมันสลับกันเองเจ้าค่ะแล้ว วิหารธละทำที่หนูต้องทําเพิ่มมีไหมเจ้าคะเพราะว่าบางทีแค่รู้เนี่ยมันมันเหมือนเอาไม่อยู่มันก็ยังจะแบบจะไปจะกระโจมแล้วคะ่ะก็รู้ลมไปก็ได้รู้ลมไม่ต้องภาวนาใช่ไหมเจ้าคะถ้าถ้าอย่างรู้ลมแล้วยังหลงอีกก็บวกภาวนาเข้าไปหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไปเจ้าค่ะตอนเด็กๆนะท่านพ่อหลีสอนหลวงพ่อไว้ทั้งสามัน่เชือกทั้งสามเส้นอหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรูร้ลมหายใจนะแล้วก็มีพุทโทนะ แล้วนับเลขเลวยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหนึ่งพูดทรสองอะไรเงี้ยนะหนูควรทําทั้งสามอันเลยไหมเจ้าคะมันกระโจนออกไปมากเลยจ้าไปดูตัวเองสามอันเยอะไปเจ้าค่ะสองสองอันก็สองคุณเจ้าค่ะเหมือนไปหาหมอนะห <c oughs> มอให้ยาหนึ่งเม็ดขอสองเม็ดได้ไหมหนะมอใจดีอ้าวเอาไปสองเม็ดขออีกเม็ดเถอะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวจะกินยาเยอะไป <c oughs> <c oughs> การนมัสการคะ่ะอันนี้หนูมาส่งครั้งแรก แ, แบบไม่คิดว่าจะได้ด้วยเหรอเขาเรียกว่าบุญจัดสรรหนูมีคำถามมาถามสามข้อคะ่ะข้อแรกหนูขอแนวทางการปฏิบัติหลวงพ่อสอนแล้วหนูขอแบบเวลาที่หนูโมโหะคะ่ะเวลาหนูรู้นะั้นหนูก็จะรู้ว่าอ่านตัวเองโมโหแม่อยู่ถ้าแบบเป็นลูกที่ดีก็ควรจะเงียบแต่หนูไม่เงียบหนูแบบ ก็วีนให้สุดอะค่ะแบบวีนจนแบบแม่ปวดหัวได้เลยจะไป เ, <ล>เอาใหม่โมโหแม่รั้วโมโหนะแล้วเวลาฟรีดขึ้นมาว่าแม่เห็นหน้าตัวเองกําลังว่าแม่อยู่นะว่าพักเถียวก็เลิกแล้วเพราะมันหน้าตาน่าเกลียดเราทนไม่ได้หรอกนึกออกไหมหน้าตาของเราเวลาโกรธเนะี่ยดูจิตแล้วเอาไว้อยู่ก็ดูไกลเห็นหน้าตาน่าเกลียดขึ้นมานะ เดี๋ยววันหลังแม่ตกใจล่วหนูไม่สบายหรือเปล่าทำไมไม่โกรธมีนะมาเคยถามหลวงพ่อเหมือนกันนะกลัวลูกไม่สบายลูกทำไมมันดีฟังแล้วแปลก แล้วก็ข้อสองคือถ้าสมมติว่าเราฝันแล้วสิ่งที่ฝันมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอะค่ะอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งหนูฝันว่าน้าสะพ้ายหนูท้องแต่หนูรู้สึกไม่โอเคในความฝันนั้นเลยแบบเออเหมือนเด็กจะไม่อยู่แล้วแบบหนึ่งเดือนถัดมาเขาก็แทงจริงๆริงแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ครั้งเดียวมันมีหลายครั้งมากมที่แบไม่เป็นไรอย่าสนใจนอันนี้คือหนูกินมากนอนมากใช่ไหมคะไม่จะเป็นจิตเนี่ยนะเป็นธรรมชาติรู้นะ จิตของบางคนเนี่ยเคยฝึกสมาธิฝึกอะไรมาแต่หลายชาติมาแล้วเพราะฉะั้นบางทีมันรู้สึกได้แต่ว่าเรารู้เราก็เงียบๆนะถ้าเราบอกเนี่ยคนจะยิ่งมาถามเรามากขึ้นมากขึ้นพอเข้ามาถามเราเราก็จะอยากรู้พออยากรู้ใจเราจะฟุ้งซ่านเราจะรู้ผิดพนะราะเราอย่าไปบอกเขาอีกครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่ออาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษลงปู่สิม เมื่อก่อนคุ้นเคยกับท่านอยู่เดี๋ยวนี้ท่านสิ้นไปแล้อยู่เชียงใหม่ตอนท่านหนุ่มๆเนี่ยท่านไปภาวนาในถ้ำภาวนาไปภาวนาไปานะชาวบ้านชอบมาถามอาจารย์เห็นเลขไหมบอกไม่เห็นเพราะท่านไม่เคยคิดถึงเลขพอชาวบ้านถามหลายๆคนเข้าน ะ, จะใจท่านเริ่มคิดถึงเลขพอท่านนั่งภาวนากลางคืนเนี่ยท่านเห็นที่ผนังถนะ้เลขขึ้นหกตัวเลย ขึ้นทั้งหกตัวเลยท่านอุตส่าห์ท่องจนะําไว้นั้นชาวบ้านมาถามตอนเช้าท่านอาจารย์เห็นเลขไหมเห็นมีหกตัวชาวบ้านฟังแล้วไม่เลื่อมใสอยากได้สามตัวให้หมาทําไมตั้งหกตัวเพนะรากลว่ารางวัลที่หนึ่งมันออกให้หกตัวนี้นะนท่านแน่ขนาดนั้นนะคราวนี้ชาวบ้านมากันเพียบเลยะมากันเยอะแยะเลยมาถามอาจารย์เห็นอีกหรือยังทนะ่านก็นั่ง เชา้าไึ้นมาก็บอกเห็นหกตัวรอบนี้ก็ถูอีกหกตัวเนี่ยทั้งหกตัวนะรางวัลที่หนึ่งคราวนี้เจ้ามือมาแล้ว <laughs> <laughs> เจ้ามือมาแล้วคล้ายๆเริ่มข่มขู่แล้วะใจท่านเนี่ยเริ่มบอกไปบบล็อกแวบกลัวเจ้ามือด้วยรู้สึกเก่งด้วยกูเก่งกูเก่งชาวบ้านมาถามอีกนะเห็นเลขขึ้นอีกแล้วหกตัวไปบอกชาวบ้านพอบอกชาวบ้านปุ๊บ ไม่ออกสักตัวเพราะจิตมันอยากอยากรู้เสีแล้วของหนูก็เหมือนกันนะถ้าหนูอยากรู้แล้วมันจะเพีย้ยนหนูฝันเอาใช่ไหมมันไม่ได้อยากรู้เวลาฝันนะอย่างนะ้มันถึงจะรู้ได้นะถ้าอยากรู้มันจะไม่จริงเหมือนเราอย่าไปบอกคนอื่นนะว่านาใกล้จะแท้งแล้วล่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะมาถามเราเหมืนจะเสดาเคราะห์ยังไงเอาตังค์มาให้หนู <c oughs> <c oughs> ขล้วก็ ข, ข้อสุดท้ายถ้าสมมติเราอยากอ่านใจคนได้อันนี้เป็นเก็ตความรู้เฉยๆนะคะแบบเราจะทํำยังไงแบบหนูอยากรู้ว่าใครนินทานหนูอ่ะหนูจะได้แบบรีบจัดการก่อนทุกคนที่รู้จักหนูนินทานหนูทั้งนั้นแหละไม่แต่เราอยากรู้แบบเราอยากอ่านใจอย่างน้อยเราก็จะไว้แบบรู้ทางถูกแบบสมมติแม่จะด่าเราเราดักเขาไว้ก่อนเลยวันนี้ห้ามพูดเรื่องนี้กันอะไรแบบเนี้ยอ๋อไม่ยากหรอกรู้ทันใจของตัวเองไป ถ้าเรารู้ทันใจตัวเองได้บางคนก็จะรู้ใจคนอื่นแต่ของหนูเนี่ยพร้อมจะรู้ใจคนอื่นแต่ไม่พร้อมจะรู้ใจตัวเอง <c oughs> นะพยายามย้อนมาดูของเรานะไปดูของคนอื่น <c oughs> แม่ว่าจะไปยากเย็นอะไรเดี๋ยวก็เหนื่อยก็เลิกไปเองนะถึงจะบ่นยังไงถึงจะว่างไงสุดท้ายก็ต้องเลี้ยงเรานะงั้นให้รางวัลแม่บ้างถ้าแม่ไม่ได้บ่นเลยแม่กุ้มใจนะ เดี๋ยวก็จะมาปรึกษาหลวงพ่ออีกแลลูกดีฉันเป็นอะไรเนี่ยทั้งแต่เรียนกรรมาฐานทำไมมันดีอย่างเนี้ยนะแม่นอนไม่หลับเลยไปภาวนาค่ะขอบคุณครับเาต่อไปนมัสการหลวงพ่อครับคือผมสงสัยการปฏิบัติที่ตัวเองปฏิบัตินะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่ในใจมันคิดว่าถูกครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจตัวเองมันลเลยฏิติเหมือนตอนนี้ไหม ก็มีบ้างถ้าจิตเป็นอย่างเนี้ยเราบังคับอยู่ครับแล้เราควบคุมมันจะนิ่งนิ่งกว่าความเป็นจริงครับเวลาเราปฏิบัตินะเราสังเกตตัวเองลงไปในเนี้ยมีตัวใดตัวหนึ่งที่นิ่งนิ่งอยู่หรือเปล่าถ้ายังเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะแสดงว่าอย่างเพ่งอยูใ่ใช้ไม่ได้ครับอย่างนี้รู้สึกไหมมันมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งตัวนิ่งนี้ ไปเลิกซะทั้งห้าตัวนะทั้งขันห้าต้องไม่นิ่งไม่ใช่ไปเหลือจิตให้นิ่งอยู่ตัวหนึ่งไม่งั้นมันจะเห็นทุกตัวนะรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงแต่จิตเที่ยงใช่ไม่ได้นะต้องปล่อยให้ตัวผู้รู้มันเส้นไหวของคุณเนี่ยบั ง, บงคับจิตอยู่บังคับให้ตัวนิ่งมันจะมีตัวนิ่งอยู่ให้รู้ทันไปดูไปตัวนิ่งก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะเห็นไหม เดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็หนีไปคิดครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดดูอย่างนี้ได้ไอ้ไปอ้อาวคนต่อไปขออีกนิดอา้าวมันสามารถเดินปัญญาได้บ้างไหมหรอกตอนนี้มันมันยังฟุ้งซ่านอยู่ครับแต่การทำให้นิ่งไม่ได้ทำให้มีสมาธินะการให้นิ่งมันเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่เดินปัญญาหรอกถึงนิ่งไงก็ไม่เดินยิ่งนิ่งยิ่งไม่เดิน งั้นเราไปสังเกตไปถ้าตัวผู้รู้นะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่เรากําลังเดินปัญญาอยู่เมื่อไหร่เห็นใจรักของรูปนามกายใจเมื่อนั้นเดินปัญญาเมื่อไหร่ไม่เห็นใจรักไม่เดินสงสัยรู้ไหมครับสงสัยรู้ว่าสงสัยเห็นไหมจิตสงสัยได้เองเห็นไหมจิตผู้รู้มันตายไปเกิดเป็นจิตสงสัยขึ้นแทนนี่ดูอย่างนี้ไปจิตผู้รู้ก็ตาย ต้องดูให้เห็นนะผู้รู้เองก็ตายตรงนี้เป็นผู้คิดใชอ๋อ ก, การนมัสการหลวงพ่อนะคะเ อ, อมีคําถามสองข้อนะคะข้อแรกก็คือการปฏิบัติกใ็ในแบบปฏิบัติเดิมเนี่ยปฏิบัติก็คือดูดูจิตนะคะจิตรู้ก็ให้มันรู้ไปตอนนี้เข่อหอลังอะเปลี่ยนมาเป็นดูลมหายใจใช่ไหมคะหลังหลังจากนี้มันมันเล ะ, ะคะ่ะคือมันมันตีกันทั้ง ทั้งดูลมหายใจแล้วก็มาดูจิตมันมันไม่สามารถแก้ได้ไม่รู้จะทํำยังไงอะค่ะหงุดหงิดรู้ไหมรู้ค่ะนั่นแหละดูจิตห ล, <อ>ลักเราก็เห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอดับไปแล้วไม่มีอะไรจะดูก็ามาดูร่างกายหายใจต่อไม่ใช่ดูลมหายใจนะแต่ดูร่างกายหายใจไม่เหมือนกันนะถ้าดูลมหายใจจิตจะไหลเข้าไปอยู่ในลมเป็นการเพ่งลม เ, <อ>เป็นสมถะแต่ว่าเราฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นนะ่ย เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูให้ปฏิบัติก็คือตอนนี้ก็คือแก้ให้ให้ให้เห็นร่างกายเห็นร่างกายหายใจหายใจเป็นคนดูแล้วัิตใจหนีไปที่อื่นก็รู้ว่าใจหนีไปแค่นั้นแหละค่ะแล้วข้อที่สองก็คือเวลาเวลาหลับนะคะคือคือหลับแล้วจิตมันจิตมันฟุ้งอะค่ะจิตมันฝัน ตั้งแต่นอนอยันเช้าเลยจิตมันคิดตลอดเวลาไม่รู้จะแก้ยังไงอะคะ่ะ<ก>เป็นมามหลายปีไม่ต้องแก้หรอกอยากฟันก็เรื่องของจิตจิตไม่ใช่ตัวเราแต่จิตมันเหนื่อยอะคะ่ะจิตมันเหมือนไม่ได้พักบริกรรมไปตั้งแต่นอนพุทโธพุทโธไปจนหลับเลยขอบคุณเจ้าค่ะกลุ่มคนต่อไปกาบนัสทคาหรหลวงพ่อครับเพิ่งมาส่งการบ้านสั่งแรกครับ ลงไหนล่ะส่งมาสิหลายๆปีที่ผ่านมาเคยมีโอกาสได้ฟังธรรมะบรรยายของหลวงพ่อแต่จิตเนี่ยมันเหมือนภาชนะที่เต็มน้ำคือมันไม่เคยรับเลยมันไม่เคยเลยแต่เมื่อมาสักปีห้าเก้าฮะก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะแล้วก็พยายามปฏิบัติปฏิบัติแบบ ไม่ให้มีความอยากปฏิบัติไปพอใจไปอพอใจสร้างเหตุไปพอใจไปผลจะไงก็ช่างนะฮะมันก็จะมีอยู่สักช่วงหนึ่งประมาณกลางกงปีสองพันห้าร้อยหกสิบีกครั้งในึงมันก็บอกว่าเหมือนพบทางเดินนะเหมือนพบทางเดินละว่าตรงเนี้ยคือทางเดินที่ทำตาม ทางเดินของพระพุทธเจ้าปฏิบัติต่ตอไปเนี่ยแต่คุณอ่ะข้างในมันบอกว่าพบแล้วทางเดินไม่หลงทาง<ม>เปรียบเทียบกับเมื่อหลา ย, ลายปีก่อนเนี่ย ม, มันมีแต่ความหลงห<ม>ลงแล้วก็ในจิตของเราเองเนี่ยตัวเด่นคือตัวโทสะ<ม>โทสะเงี่ยจะมีเยอะมากโมโหเก่งโมโหร้ายโมโหจนคิดพยาบาท มัดลายแต่ณนปัจจุบันเนี้ยโมโหยังรู้วมาหลงโมโหแต่การที่จะมีการอาคารมัดลายมันไม่มีแล้วมันเรื่องของจิตมันเป็นของมันเองไม่ใช่เรื่องของเราพยายามเป็นคนธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะธรรมะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดเอาแต่เข้าใจได้ด้วยการรู้สึกเอา คอรู้สึกรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจไปคอยรู้สึกครูบาอาจารย์ไม่ว่าวงไหนนะสุดท้ายก็สอนลงที่เดียวกันนี้แหละภาษาสำนวนอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าภาวนามาถูกนะมันก็จะลงที่จิตเหมือนกันหมดนะ่ะค่อยๆฝึกไปจิตขณะนี้ยังไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมจิตของเราไม่เหมือนคนทั่วๆไปดูออกไหมครับเราเป็นซุปเปอร์แมนดูออกไหม ไปเป็นคนธรรมดาให้ได้นะธรรมดาที่สุดดีที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็คือความปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการเป็นนักปฏิบัติเราก็สร้างสิ่งบางสิ่งซึ่งเหนือธรรมดาขึ้นมาให้เรารู้เท่าทันแต่ว่านี่คือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมารู้สึกมัหยปรุงแต่งจิตให้ดีกว่าธรรมดาปรุงแต่งจิตดีกว่าของคนอื่นทั่วๆไปวไปแปงว่ายังมีมานณใช่ไหมครับใช่แล้ว หลวพอต้องพูดอ้อมค้อมเพราะอะไรเพราะเราชี่โมโหครับแต่เขารู้สึกได้นะครับว่ามันมันลดลงลดลงแต่ยังมีอยู่ฮะรู้ใเลยั้างในมันยังรู้เลยว่ายังไงมันยังไม่หมดเก็บ้ยงแล้วอยากพิสูจน์นะก็ต้องหาคนมาขัดคอเราอืมครับสอบเขาขัดคอตอนที่เราไม่ทันตังตัวครับถ้าเราบอกเอ้าเธอขัดคอสิ ไม่ถอดเฉยเลยนะแต่ถ้าไม่ตั้งตัวนะไอ้ง้างถ้าอย่างนี้้ไม่ทันตั้งตัวแล้วมันจะกระเทือนขึ้นมาเลยนะครูบาอาจารย์บางทีท่านใช้นะแล้วบางคนเนี่ท่านดา่าจะจิตอย่างนี้ต่างหากที่ดีจิตตรงนี้ต่างหากที่ดีถ้ากี่ใช้ไม่ได้นะรู้อย่างว่าไม่เหมือนกันเห็นไหมคําว่าไอ้ ง, งั่งขลังแค่ไหนบางทีเหมือนต้องโดนโดนอั่มบท พระธรรมบรรยายบางบทที่ครูบาอาจารย์กระแทกอะรักษางานเราไปแบบเนิบเนิบบางทีอาจจะ ไ, ไม่ไม่เท่าแล้วก็วดูของเราไปเข้าวควนต่อไปหลวงพ่อนานานานด่าที <g üler> ไม่จำเป็นไม่ด่าหรอก <g üler> ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อครับ<ม>ก็ปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อคือดูกายดูใจครับ<ม>ก็จะมีช่วงที่ปฏิบัติได้ดีแล้วเห็นผลแล้วพอสักช่วงหนึ่งพอมีงานทางโลกหรือว่าเราจะเริ่มหลงนะก็ก็จะเหมือนดอกลงมาเป็นอย่างนี้นหลายรอบครับคือช่วงที่ได้ทำเนี่ยก็เห็นแต่ว่าจะเจอหลายรอบเหมือนกัน<ม>ว่าในภาพรวมนะดีขึ้นนะจิตพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยนะดีเป็นคราวาสมันก็เป็นแบบนี้ละ จะทํารวดเดี่ยวตลอดแบบพลระทําไม่ได้เป็นฆราวาสเนี่ยช่วงไหนเราปฏิบัติจิตเที่ยวเจริญช่วงไหนภาระษฏทางโลกเยอะจิตเที่ยวเสื่อมตรงนี้ทําให้เราเข้าใจผิดขึ้นมาได้จะไม่เหมือนอย่างพระพระเนี่ยทุกวันชีวิตเหมือนกันหมดเลยอินพุตเนี่ยคงที่นะแต่อัพพุตเนี่ยไม่เคยเหมือนกันบางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อมทั้งๆ ท, ท, ที่ปฏิบัติเหมือนกัน ของเราบางทีเจริญบางทีเสื่อมเพราะว่าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างเพราะงั้นถ้าเราพยายามมีวินัยในตัวเองปฏิบัติทุกวันนะจะมีเวลามากเวลาน้อยก็ต้องปฏิบัติสักนิดสักหน่อยก็ยังดีแล้วเราก็จะค่อยๆเติบโตไปอย่างที่เป็นนี้แหละใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติทุกวันเราจะพอมั้ทั้งที่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละ จิตนี้เดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมจิตนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะอย่างนั้นดีแต่ที่ฝึก อ, อยู่หลวงพ่อให้คะแนนเยอะนะใช้ได้ไปทำอีกรู้สึกไหมจิตเราเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกไหมโลกนิห่างออกไปรู้สึกไหมโลกไม่มีอะไรรู้สึกไหมความปลุกแต่งเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีนี่นะสังเกตไป อย่ขาขณะนี้ธรรมะมันกำลังเข้าสู่ใจใจมีปีติขึ้นมาเพราะรู้ว่ามีปีติพาวนาได้ดีขันมันแยกได้เป็นธรรมชาติแล้วดีอ้าวคนต่อไปอนรรมัการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้ก็ดูจิตอยู่ค่ะอะไรนะก็ ก็กำลัง hmm. ด uh ูจ oh, we ิตอยู่ค่ะก็เห็นว่าช่วงที่ฟังคนอื่นส่งตอนนี้กำลังพูดต่างหากตอนนี้กำลังฟุงสร้านอยู่ค่ะนั่นแหละอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าดูจิตตอนที่ฟังคนอื่นส่งกันบ้านก็รู้สึกว่าจิตเบื่อแล้วก็เห็นว่าจิตมีโทสะแต่ว่ายังไม่ทันตรงที่จิตมันปรุงขึ้นมาเหมือนเห็นตอนที่มันเข้าไปจับโทสะแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีโทสะเกิดขึ้น แล้วก็สักพักก็ฟุง้งซ่านสักพักก็เพ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็พยายามทำอยู่อย่างนี้แต่ว่าบางช่วงก็เห็นว่าจิตตั้งมั่นบางช่วงก็เห็นว่าจิตไม่มีกำลางังแล้วก็ฟุง้งซ่านนี่นแหละดีค่ะถ้าปฏิบัติมาจิตดีทุกวันเลยใช้ไม่ได้นะแล้วก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอยากจะขอคำแนะนาสาหรับ ชีวิตที่ยังต้องทำงานแล้วก็มีช่วงที่จิตแบบเหน็ดเหนื nieuwe, <S <S ่อยอะค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างที่ที่เราจะปฏิบัติต่อไปได้หลวงพ่อก็ปฏิบัติตอนเป็นคารวะนะแล้วก็งานก็หนักมากด้วยเหนื่อยมากด้วยหลวงพ่อก็พานาเราถือศีลไว้ถือศีลห้าข้อนะทุกวันแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบอย่างน้อยสักิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรเงี้ยระหว่างวันเนี่ย มีสติไปได้วยแล้วก็ระหว่างวันถ้ามีเวลาว่างนะก็ทําความสงบเข้ามานะเช่นมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธวันชั่วโมงนี้หกสิบนะนาทีว่างห้านาทีอย่างเงี้ยห้านาทีนี้ก็ไม่จริงกลบเหล่าห้านาทีนี้ก็ปฏิบัติไปรวมแล้วถ้าชั่วโมงหนึ่งทําได้ห้านาทีทุกๆชั่วโมงนะสิบสองชั่วโมงได้หนึ่งชั่วโมงลนะตอนขับเนี่ยกําลังเราจะเยอ ะ, เ, ยอะเราจะนั่งแล้วไม่หัวสุกหัวสุนหมดเรื่องหมดแดงหรอก ไนะ้ไนั่นคล้ายๆเอาพลังงานไปใช้จนหมดแล้วนะกลับมาถึงก็จะสลบอยู่แล้วมันภาวนาไม่ไหวเพราะนั้นอยู่ในชีวิตเนี่ยมีสติไปเรื่อยๆนะช่วงไหนมีจังหวะมีเวลาว่างกลับมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจบ้างคล้ายๆชาร์จแบต ไ, ไป็นระยะๆไปแบตบเราจะได้ไม่หมดขอเรียนถามอีกเรื่องนึ่งค่ะ คือช่วงเดินที่ผ่านมามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เห็นว่าจิตดับเป็นช่วงที่จิตมันดับลงไปเสร็จแล้วแค่คู่เดียวมันก็กลับขึ้นมาคิดใหม่อยากจะถามว่าอันนั้นเป็นจิตที่ดับจริงๆหรือว่ามันตกภวังเฉยๆมันลงผวังจิตเราเนี้ยลงผวังทั้งวันนะขึ้นมารับอารมณ์แว บ, บเดียวก็ลงผวังแล้วขึ้นมารับใหม่แค่มองหน้าหลวงพ่อเนี้ยดูดิหน้าหลวงพ่อชัดแว บ, บเดียวใช่ไหมต้องมองใหม่ จิตก็ขึ้นวิถีใหม่ ซ, ซ้ำซ้ำมันถึงจะเห็นอะไรชัดขึ้นมางั้นจิตมันลงระวังตลอดเวลาปเป็นเรื่องปกติขอบพระคุณค่ะมนมรดการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นนะคะก็หนูทรงกันบ้านครั้งแรกนะคะแล้วก็อย่าให้หัวใจวายนะ หนูได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีกับสีเดือนนะคะอณวันนั้นหนูที่หนูได้รู้จักหลวงพ่อก็คือหนูได้ป่วยเป็นมะเร็งถึงวันนี้นะคะประมาณปีหนึ่งกับสี่เดือนซึ่งตอนนี้หนูล่างกายโอเคแล้วอืมหนูอยากจะถามหลวงพ่อสามคําถามนะคะ ต้องบอกว่าคำถามแรกหนูต้องขอขอบคุณหลวงพ่อที่หนูได้ฟังซีดีทำให้หนูทำใจในการที่หนูเป็นป่วยเหมือนที่หลวงพ่อได้พูดตั้งแต่แรกนะคะว่าร่างกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยหนูได้คำนั้นจากหลวงพ่อมานะคะแล้วทาให้หนูแข็งแกร่ได้นะคะข้อที่สองนะคะก็คือเรื่องการทำงานหนูมีความรู้สึกว่าเวลาหนูฟัง ซีดีหลวงพ่อใจหนูคิดจิตเ อ, อ่อความคิดหนูคิดได้นะคะแต่ว่าปากของหนูเหมือนความคิดกับปากของหนูจะไม่ตรงกันหนูมีความรู้สึกว่าปากหนูมันจะไปเร็วแต่คิดหนูรู้นะคะว่ามันดีไม่ดีแต่ปากของหนูมันจะไปเร็วมากเลยค่ะปากมันไปได้ก็เพราะจิตสั่ง น, นี่จิตสั่งไปแล้วจิตที่ดีเกิดขึ้นมาสั่งให้แก้คำพูดเดิมมันสั่งไม่ทันนะ รูป น, น้มันอายุยืนมันรับออเดอร์ของคำสั่งก่อ น, นมันจะด่าไปก่อนแล้วห้ามไม่ได้หรอกค่อยๆฝึกไปแล้วก็หนูขอคาแนะนาค่ะว่าหนูต้องทำยังไงต่อในการดูดูทุกอย่างนะทุกอย่างของที่เคยมีวันหนึ่งก็ไม่มีของที่เคยเป็นวันหนึ่งก็ไม่เป็ น, นดูไปเรื่อยๆกระทั่งจิตที่สงบมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรา กับนรมมัสการหลวงพ่อครับมีโอกาสได้ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองนะครับก็ในครั้งที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อได้แนะนำว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยเป็นวัตฏะนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นธรรมดาหลวงพ่อก็เคยเจอในสมัยเป็นคารวาสนะครับ <S <S แล้วก็หลังจากนั้นหลวงพ่อก็แนะนำว่าให้เพิ่มสมาธิเข้าไปนะครับหลังจากวันนั้นก็ ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำคือให้สวดมนต์นะครับก็สวดมนต์ทุกวันแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกเช้านะครับตื่นมาก็จะอยู่กับหลวงพ่อทางพอดแคสต์บ้างทางหนังสือบ้างหลังจากนั้นก็ปฏิบัติประมาณหนึ่งชั่วโมงบวกลบแล้วแต่เวลาครับ mm hmm. ผลลัพธ์ก็คือจิตก็ตั้งมั่นขึ้นนะครับในหลายๆครั้งที่ปฏิบัติแล้วก็เริ่มที่จ ะ, ะได้เจริญปัญญาได้เห็นทุกนะครับได้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเราวบคุมอะไรมันไม่ได้ mm hmm. ผลลับที่ออกมาต่อก็คือมันก็คุณค่าแก่การงานก็เลยทำให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็หลังจากนั้นมาก็ทำงานเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าก็จะมีงานทางโลกเป็นธรรมดานะครับ<ม>ทั้งดูแลพ่อแม่ดูแลลูกมีลูกหลายคนนะครับ<ม>แล้วก็งานตัวเองวันหนึ่งก็ประมาณสักสิบสี่ชั่วโมงต่อวัน<ม>นะครับก็จะได้ปฏิบัติประมาณสองชั่วโมงตอนเช้านะครับก็ พอทํามาจนถึงคําถามนะครับก็คือมันก็เริ่มเสื่อมเป็นธรรมดาคือกลายว่าเร า, เาปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็พยายามทํามากขึ้นแต่ว่าผลลัพธ์นี่มันเริ่มเสื่อมลงกลายเป็นว่ า, อาพอเรื่องทางโลกเยอะนะครับจิตเนี่ยมันกระทบกับความคิดตลอดแล้วก็ กลับมาเป็นวนอยู่ในวัดตาอีกแล้วว่าเราก็ทุกวันชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็กลายเป็นไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ ไ, <ห>ไม่ไม่ค่อย<พ>อจะตั้งมั่นแล้วแค่นั้นก็พอแล้ครั บ, รบอยู่กับโลกครั บ, รบมันจะมาให้มีกําลังดูได้ตลอดเวลานทําไม่ได้หรอกแต่การที่มันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันไม่ได้หยุดการภาวนานะเราจะเห็นว่ามันเจริญแล้วเสื่อมดูไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียว จิตนี้เราก็บังคับไม่ได้หน้าที่การงานเราก็บังคับไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยดูมันไปด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปคิดเรื่องเจริญแล้วเสื่อมมากเกินไปเราไม่ได้ปฏิบัติเอาเจริญ น, นะแต่เราจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับเลยครับ ก, การจัดงานสุขาหลวง พ, อพ่อค่ะจงการบ้านกับหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะ ยมขอเล่าสภาวะธรรมที่เกิดในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ยาวนะนเอาสั้นๆแต่มันมีสีห้าสภาวะที่มันแปลกๆค่ะอขออนุญาตเล่าแล้วก็จะถามคำถามเ ป, เป็นการสุดท้ายค่ะไม่ถามซะเลยล่ะขอเล่าก่อนคราไม่งั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะตอบไม่ถูกค่ะไม่แน่หรอก <laughs> อ้าวว่าไปถามก่ะแอรพูดเล่าแรกเลยนะคะมีอยู่วันหนึ่งโยมกำลังทำเตรียมอาหารเช้าอยู่ก็เกิดไปเห็นว่าสิ่งของในบ้านของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ของเราสักชิ้นเดียวมันเป็นสิ่งที่เขาให้ยืมใช้อถ้าจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์โยมก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในโลกแต่มันไม่ได้อยู่ในโลกค่ะเห ม, มือนมันหลุดออกไปจากโลกแล้วก็มันไม่รู้ว่ามันคืออะไร มันมันรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแต่ว่ามันไม่มันไม่อยู่กับโลกอแล้วก็จากนั้นได้มีโอกาสฟังซีวีของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดถึงคําสอนของท่านภาษารีบุตรเกี่ยวกับเรื่องจิตแล้วก็พอฟังธรรมะข้อนั้นแล้วเกิดไปเห็นจิตมันแยกออกจากอาการของจิตและอารมณ์อมของจิตค่นะแล้วถัดจากนั้นไม่กี่วันก็เกิดอาการเหมือนตัวลอยๆเบาๆเหมือนอยู่ในฝันแล้วก็เหมือนกับไม่มีจิต Hmm. คือเหมือนมันไม่ยอมรู้อะไรทั้งสิ้น hmm. แล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณสามวันตอนนอนก็นอนรู้ตัวตลอดเวลาเห hmm. มือนกับไม่ได้นอนเลยทั้งคืน hmm. แล้วก็พอคืนที่สาม hmm. เห็นจิตมันวูบลงวูบลงวูบลงเรื่อยๆเหมือนก hmm. ับคือเห็นที่เห็นเนี่ยเห็นว่ามันกำลังจะดับแลแล้วพอเห็นว่าอีกวูบสุดท้ายมันจะดับไปเลยแล้วก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาก็ hmm. กลัวขึ้นมาว่ายัางไปไม่ได้ยังไม่ได้สั่งลาพ่อแม่เลยยังไม่ได้สั่งลาคุณแม่ก็เลยพอรู้เท่านั้นมันก็สว่างวาด ก, กลับมาเหมือนเดิมแล้วพอวันรุ่มขึ้นอาการลอยๆฝันๆก็หายไปเลยค่ะดีที่หายขอบคุณค่ะคือโยมไม่ทราบว่ามันคืออะไรและโยมมาถูกทางไหมโยมจะไปต่ อ, อยังไงดีคะเร่งใจได้เลยค่ะหลวงพ่อ อที่จิตล่อง ล, อ, ง ล, อ, ยลอยอะไรนะ้ใช้ไม่ได้เลยน ะ, ะไม่เอา ะ, <น> ะ, ะที่เหลือนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้สึกไปด้วยแต่ขณะนี้จิตไม่ธรรมดารู้สึกไหมไ <นะ S 1> ปข่มมันอยู่ค่ะใช่ยจะไปข่มมันปล่อยให้มันทํางานอย่างที่มันเป็นเรียนรู้มันไปนะถ้าไม่ข่มไว้มันจะพูดไม่ได้เลยค่ะงั้นก็ข่มไปก่อน <laughs> รู้สึกไปรู้สึกตัวไปได้ด้วยนะดูกายนี้เหมือนดูคนอื่น<ช>ดูความรู้สึกนึกคิดผ่านมาผ่านไปเหมือนเห็นความรู้สึกของคนอื่นเราเป็นแค่คนดูสบายๆไปค<ช>่อย ๆ, ๆฝึกไปพื้นจิตมันฟุ้งซ่านเก่งนะใช่เปล่ามันฟุ้งนะกระทั่งเวลาเวลาปฏิบัติมันก็ฟุ้งนะ งั้นแทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งซ่านคิดโน่นคิด น, น, ดนี่ตามใจชอบนะจงใจให้มันคิดบทสวดมนต์ไปเลยคิดพุดโทโธก็ได้พิดบทสวดมนต์อะไรสักบทที่เราถนัดอนะ่ะล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเองเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่คงที่ต้องทำอย่างนี้นะงั้นใจไม่มีกาลังจริงใจฟุง้ง แต่ช่วงหลังๆยมเห็นว่ามันการนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยนั่นแหละไ ม, ไม่ดีตัวนั้นไปติดนิ่งที่หลวงพ่อบอกว่าไม่เอาเลยตัวนั้นแล้วคนปฏิบัติเนี่ยจํานวนมากนะคิดว่าจิตนิ่งๆนั่นแหละดีอาภัพที่สุดเลยเสียโอกาสที่จะเจริญปัญญาจิตที่นิ่งไม่เจริญปัญญาจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างหากเจริญปัญญาปล่อยให้มันทํางานถ้ามีสติรู้ทันนั้นหมดแล้วห<อ>รือ ศาสนาพุทธเรานะมันไม่ใช่สอนเป็นคนดีดอกนะสอนจนเห็นความจริงว่าจริงๆไม่มีคนพอเราเห็นความจริงอย่างนั้นเราไม่ยึดถือในรูปนามกายใจเมื่อหมดความยึดถือแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาในจิตใจนนะ่คือความเมตตาการุณาไม่ใช่แค่ความรักความรักยังมีวัตถุแห่งความรักมีเป้าหมาย ความเมตตากรุณาเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนะงั้นอย่างพระอราหันต์เนี่ยท่านไม่มีกิเลสแล้วเห็นความจริงของกายของใจถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะคือความเมตตากรุณานะมันขึ้นมาทำงานแทนที่กิเลสอย่างพวกเราเนี่ยเราถูกกิเลสเป็นโมทีฟผับดันให้ทำโน้นทำนี่ด้วยอำนาจของกิเลส แต่ถ้าเราภาวนาไปถึงจุดทึ่งสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยโมทีปอันนั้นนะคือตัวกุศลดวนๆเลยแต่ไม่ใช่ติดในกุศลด้วยนะอย่างความเมตตากรุณาเนี่แหละทำให้ขวนญไหวนะที่จะพยายามสอนผู้อื่นให้รู้วิธีพ้นทุกข์เหมือนที่เราเคยผ่านมาเพราะฉะนั้นะความเมตตากรุณาแบบไม่เป็นเจ้าของด้วยนะเราังไม่เป็นเจ้าของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเรา ความประณีตความลึกซึ้งต้องสัมผัสด้วยตัวเองคิดเอาไม่ได้หรอกอวันนี้ก็มีญาติธรรมนำปัจจัยและเททันมาถวายนะครับ เ, เดี๋ยวผมกล่าวนำนะครับและให้ทุกท่านน้อมใจถวายร่วมกันนะครับท้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและไตยธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตับสิ้นกาลนานเทิน สาธุยะถาวาริวาาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิบัติฉันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกพวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปัจายิโนจัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังละลังภาวนานะเราจะได้มีความสุขเสร็จละ